Book 2 4เจ7ย่สการเตรียมตัวเดินทางลูกโกคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้วあなたは私たちのスーツケースを準備しなくてはいけません อย่าลืมอะไรนะว่าจะได้มายคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ p a s, ー, ー, ンン <S ート o 忘れないようにอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ空港ขเขียนว้ อย่าลืมเช็คเดินทางนะทラベร์เบลล่สเช็คโกเยาเอาครีมซันแทนไปด้วยนะยาけีめクリームを持ってมきなさいตกเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะซングラスを持ってมきなตいก่เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะซンバบザーを持って行きมさいตก คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม市街地図を持って行きたいですかคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมガイドブックを持って行きたいですかคุณจะเอาร่มไปด้วยไหม傘を持って行きたいですかอย่าลืมกางเกงเสืーー้อและถุงเท้านะズボン シャツ靴下ส忘れないように้าอย่าลืมเนคไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะเนคไทเบลต์แจ็คเก็ตอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะพาเจ็ンン้ากระเวย์ทีชชัทส์อย่าลรองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูต สันดาล์บูンン๊ตจมัสคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกยตัดเล็บทิชชู่เสกเจมิคิิมัสคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟันคุี้แปรงสีฟันแปรงกากโค่มีมัส